แนะนาบทอัลมุนาฟิกูนบทอัลมุนาฟิกูนเป็นบทมาดานยะมีสิบอ็องค์การแกนหลักของบทนี้ก็คือการกล่าวโดยละเอียดถึงการกลับกรอกสับหลับของพวกมุนาฟิกูนจงกระทั่งบทนี้ถูกขนานนามว่าบทอัลมุนาฟิกูนหมายถึงการเปิดโปงการกระทำของบุคคลประเภทนี้ในตอนต้นของบทได้กล่าวถึงมัญญาของพวกมูนาฟิกูน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 และการก่ออาชญากรรมของพวกเขาด้วยการแสดงออกถึงการเป็นอิสลามในเวลาเดียวกันพวกเขาก็พยายามขัดขวางไม่ให้ผู้คนเข้าสู่อิสลัด้วยเหตุนี้ภัยและอันตรายจากพวกเขาจึงนับได้ว่ายิ่งใหญ่นอกจากนี้บทนี้ยังไม่กล่าวถึงคําพูดอันน่าเกลียดของพวกเขาที่เกี่ยวกับท่านรอซูลสุลลั ล, ลฮุอะลัยฮุสัลลัมและการเชื่อมั่นของพวกเขาที่ว่า การเผยแพร่ของทานรอูลจะล้มเหลวและว่าพวกเขากลับมาจากสงครามบันีมุสตอลิศพวกเขาจะขับไล่ท่านรศูลลและบรรดาผู้ศรัทธาให้ออกจากนาครมัดีนะบทนี้ได้จบลงด้วยการกล่าวเตือนบรรดาผู้ศรัทธามิให้สนใจกับความเพลิดเพลียการลเล่นและสิ่งเย้ายวนของโลกนี้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 ได้กล่าวคำพูดอันชั่วช้าอันเนื่องมาจากว่ามีชายสองคนจากชาวอันซอรและมุฮายิรินได้แย่งชิงกันตักน้ําแล้วก็ได้วิวาทกันชาวมุฮายยรินได้เตะชาวอันซอรเมื่ออิบนูสลูลได้เห็นเขาก็ร้องตะโกนไล่ชาวมุฮายยรินแล้วกล่าวว่าวัลลอหิสภาพของพวกเรากับพวกมุฮายิูริน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 หมายถึงท่านนาบีสลลลลลุลต์ละวาเลวสลังและบรรดาสาวกของท่านแต่ผู้กลับกรอบมุนาฟิกผู้นี้หาได้คิดว่าเกียรติยศนั้นเป็นของอัลลอฮ์และรอซูลของรูง้งและเป็นของบรรดาผู้ศรัทธาหมายถึงว่าชัยชนะความดีเด่นและความสูงส่งนั้นไม่ใช่เป็นของมุนาฟิกีพวกมุสริกีและพวกคุ ฟ, ฟารออ์กแต่พวกเขาหารู้ไม่ทั้งนี้ก็เพราะว่า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 ด้วยพระนามของ Allah ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออ้าเจ้าคือมุนาฟิกุณ่ากล่าวนัชฮัดอินนักละรสนุลอัลลอฮฺวะลลาฮฺย์ะลัมอินนักละรสนุบุวะลลาฮฺย์์ฉัดอินน์ลมุนาฟิกินล์คาบุนเมื่อพวกกลับกรอกมุนาฟิกินมหาเจ้า พวกเขากล่าวว่าเราขอปฏิญาณว่าแท้จริงท่านเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์แต่เราทรงรู้ดียิ่งว่าแท้จริงท่านนั้นเป็นศาสนทูตของพระองค์อย่างแน่นอนแล้วเราทรงเป็นพยานว่าแท้จริงพวกมุนาฟิกีนนั้นเป็นผู้กล่าวเท็จอออิตดดมมนลุุี าาพวกเขาได้ถือเอาการสาบานของพวกเขาเป็นโลเพื่อขัดขวางทางของอลัลลอฮแท้จริงพวกเขานั้นสิ่งที่พวกเขาได้กระทำไปช่างชั่วช้า จ, จริงจัง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 พออัลลอฮทรงให้ความอภัยศทแก่พวกเขาทำไมเล่าพวกเขาจึงหันเหออกไปในทางอื่และเมื่อมีเสียงกล่าวแก่พวกเขาว่าจงมาเถิดศาชนะทูตของอลัลลอฮ์จะขอพยาทวดให้แก่พวกเจ้า พวกเขาก็หันศีรษะของพวกเขาไปอีกทางหนึ่งและเจ้าเห็นพวกเขาผินหลังออกไปโดยที่พวกเขาเป็นผู้หญิงญาโศว์ัสวง ع ل ي ه م อ س ت غ ف ر ت لهمأم لم تستغفر لهمليعفِر ا มีผลเท่ากันแก่พวกเขาที่เจ้าจะขอไพรโทษให้แก่พวกเขา หรือไม่ขอไพร่โทษให้แก่พวกเขาก็ตามอัลลอฮ์จะไม่ทรงอาไพรโทษให้แก่พวกเขาแท้จริงอัลลอฮ์จะไม่ทรงให้ทางนาแก่กลุ่มชนผู้ฝาลลาา่าฝืน วนนวพวกเขาคือผู้ที่กล่าวว่าอย่าบริจาคให้กับผู้ที่อยู่กับศาสนาทูตของอัลลอฮ์เพื่อพวกเขาจะได้แยกย้ายออกไปแต่ขุมคลังแห่งบันดาชั้นฟ้าและแผ่นดินนั้นเป็นของอัลลอฮ์แต่ทว่าพวกมูนาฟิกีน ไม่เข้าใจะพวกเขากล่าวว่าถ้าเรากลับไปยังนครมาดีนะ พวกที่มีเกียรติกว่าจะขับไล่พวกที่ตามต้อยออกจากนครบัดนี้นะส่วนอำนาจนั้นเป็นของอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์และบรรดาผู้ศรัทธาแต่ทว่าพวกมนาฟิกีนนั้นหารู้ไม่ยาอิฮัลมดีนอาบนูลาตุลฮิซุมอามวาลฮุมวะลาอาลาดุลฮิซุม عن ذ ك ลลา โอ้ผู้ศรทธาทั้งหลายอย่าให้ทรัพย์สินของพวกเจ้าและลูกหลานของพวกเจ้าหันเหพวกเจ้าออกจากการระลึกถึงอัลลอด์และผู้ใดกระทำเช่นนั้นชนเหล่านั้นคือผู้ที่ขาดทุน S <S และจงบริจาค บ, บางส่วนจากสิ่งที่เราได้ให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้าก่อนที่ความตายจะประสบแก่ผู้ใดในหมู่พวกเจ้าและเขาก็จะกล่าวว่าโอ้พระผู้วิบาลของฉัน หากโรงทรงผ่อนผันให้แก่ฉันอีกชั่วเวลาเพียงเล็กน้อยเพื่อที่ฉันจะได้บริจาคและฉันก็จะอยู่ในหมู่คนดีทั้งหลายลตาลอดจะไม่ทรงผ่อนผันให้แก่ชีวิตใดเมื่อกำหนดของมันได้มาถึงแล้วยาลอดทรงรู้ดียิ่งในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ